จริงๆแล้วก็มองเพื่อนเราหายไปหลายคนหลังจากที่เทศกาลข้าปรรษสาแล้วก็กระถินาาน้าตาวันนี้ก็จบลงเราที่อยู่ก็คงจะไม่มีเรื่องอื่นไปมากกว่า อาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยส่วนประกอบสภายาต่างๆเพื่อที่จะฝึกหาตเตงจนถึงขั้นที่เรียกว่ามันสูงที่สุดของการได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์อย่างงี้นะการฝึกก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการ ใช้กายใช้ใจของเราเป็นอุป ก, กรณ์เป็นเครื่องมือในการที่จะปฏิบัติ้วเข้าถึงธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่ปัญญามันไม่พัฒนาถึงขั้นสูงสุดมันก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งกองทุกเวลาคือภารกิจที่เราจะต้อง แล้วใช้พันธะสัญญาตัวนี้ของเราเป็นพันธะเป็นภาระทีเดียวเดี๋ยวต้องถอนรหัสกายใจของเราอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปที่เกิดขึ้นมาอะไรเป็นเรื่องของสติสีลสมาธิปัญญาอะไรเป็นเรื่องของ อะไรเป็นเรื่องของเหตุแห่งทุกข์หรือาการก้าวล่วมหรือว่าทุกข์มันดับลงยังไงเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานยังไงเส้นทางก็ต้องถูกถอดรหัสออกมานะให้ได้คอยได้เห็นกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานกฎของกรรมกรรมดีไปดีกรรมชั่วไปชั่วยทาดีทางกายทําดีทางวาจาทําดีทาง จ, จิตใจมันเริ่มต้นอย่างไร ทางเดินไปสู่มรรคสู่ผลความรู้สึกตัวก็เป็นคำตอบอยู่แล้วความรู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกตัวแต่ละขณะที่เราพยายามปฏิบัติธรรมหรือพยายามกลับมาหาเนื้อแท้สิ่งที่มันพึ่งได้จริงๆทาให้ชีวิตเราไม่หลงไหลเรือเผลอ ออกไปมีอาการต่างๆที่ไม่เป็นกลางไม่เป็นปกติไม่เป็นสมดุลเราต้องช่วยตัวเราละใครช่วยไม่ได้โลกนี้มีสุขมีทุกข์มีมิตรามีโลกธรรมต่างๆแล้วก็อยู่กับมันโดยที่ไม่ต้องทุกข์ทั้งตัวเราเองทั้งภายนอกภายภายในภายมนอก ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอาการต่างๆฟูๆแฝบๆปกติไม่ปกติมันเป็นอาการเอเรากลับมาเมื่อเห็นทารับไปมันก็นไม่เห็นสัมมากระสัมไปขวัญมาขวัญไปความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันก็เรียกตัวเองเที่เคยไหลไปสู่ความทุกข์ ความไม่ปกติกลับมาขวัญเอ๋ยขวัญเอ๋ยมาอยู่กันเนื้อกับตัวมันกลับมาก็อบอุ่นมากลับมาเรารู้สึกมีพลังมีพลังของสติมีพลังของศีลมันมีอยู่มีพลังของสติมีพลังของสมาธิมันมีมีพลังของสติมีพลังของปัญญาสติปัญญามาด้วยกันแว่า มันเป็นความรู้สึกตัวมันก็เลยเพึ่งได้จริงๆกลับมาทุกทีมก็ปกติทุกครั้งเราเลือกได้ว่า่ะไหร่เมื่อกลับมาเมื่อนั้นคือสติฐานมันก็จ ะ, ะมีสี่ฐานนั่นแหละฐานกายฐานเวนาฐานจิตฐานธรรมจะมาดูกายเห็นจิตดูกายเห็นเวทนาทีกายที่จิตดูจิตเห็นความคิด มันคิดจริงๆเป็นกุศลธรรมมกุศลธรรมมันคิดขึนมาอยู่นั่นละไม่ได้ห้ามแต่ว่ากลับมาที่ความรู้สึกรู้เรู้ตัวเรามีสติรู้เท่ารู้ทันเงื่อนใจใดทุกครั้งไม่ได้เจตนาคิดแต่มันคิดขึ้นมามันก็ไม่ยาวสั้นๆทุกครั้งที่รู้สึกมาตัดไห้ ตกกลางที่รู้สึกที่กายมันตัดไปในตัวนั่นก็แค่ไม่เหนื่อยนะไม่ต้องไปทําอะไรเลยคิดกหกคิดโลภคิดหลงคิดละคิดชังคิดอดีตเกี่ยนาก็อดีตคิดแล้วก็อะไรอาวอนาณาคคก็ยิ่งเราวิตกกลางวนแล้วกลับมาสู่โลกปัจจุบันรู้สึกตัวจบองกันทีต่อไม่เป็นเลยละไปไปตรอดตัวหลงก็จํานนเระาะสติมันเป็นตาใน เป็นตาที่กลับมาครั้งใดก็สดชื่นเบิกบานแล้วมันจะไปไหนได้ก้อนนี้มันก็เป็นการเดินทางเคยไหลคิดแล้วก็ลงต่ําเป็นอาบายะพูมเปตสนรกอสุรกายเดรฉานคีรักกติเป็นเดรชานทีรละกลัวอสุรกายคีรักกรดเป็นสนนัตวนรกมันก็รู้แล้วทุกกลางมันร้อน จิตมันต่ํามันหนักมันมืดคิดอะไรไม่ออกบรอกจิตแบบนั้นแต่คิดออกก็คิดแบบทำเชื่เนี่ยทําอะไรที่มันไม่ใช่เป็นการเรียกว่าเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านอากลายเป็นเรื่องของหาทุกข์ใส่ตัวไม่มีทุกข์หาทุกข์ใส่ตัวไม่มีเหาหาเหาใส่หัวเแขวนเท้าหาเสี้ยนไปวันตั้งวันก็โดนถิ่มโดนแทงโดนตํา แล้วก็เที่ยวไปหาว่าคนอื่นก็ทํากับเราทําไมก็ทํากับเราทําไมทําไมก็ไม่เข้าใจใเรามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเราก็หาเรื่องคนอื่นแต่ที่จริงคือไม่รู้สึกตัวนะเราก็จึงนี่แหละมีที่เพิ่มทุกรังที่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีก็คิดไปเป็นบุญก็มีเหมือนกันเป็นบุญ อยากช่วยเหลืออยากให้อยากแบ่งปันอยากเอื้อเฟื้ออยากประคับประคองดูแลมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยสุขสุทุกทุกกทกสุขสุมันมีความรู้สึกตัวเหนือสุขเหนือทุกเฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้แล้วไม่ใช่สุขรู้แล้วก็ไม่ใ่ทุกมันรู้เฉยเฉยแล้มันรู้ตัวเฉยเฉยอย่างอื่นก็เฉยเฉยหมดนั่นแหละ มารู้ตัวเราภายในภายนอกมาเฉยๆก็ต้องสัมผัสรู้สึกศักดท์แว่าขึ้นเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆมันได้ยินแล้วไม่เอาเป็นความพอใจไม่พอใจรู้แล้วก็ต้องสัมผัสเป็นเสียงเฉยๆในความหมายเราก็ถอดรหัสได้พูดถึงเรื่องอะไรเรียกว่าอาปากเห็นลิ้นไก่เห็นไส้เห็นพุงกันไปเลยไข่เห็นตีนงูเห็นนมแก่เหมือนกัน เราก็เกิดมาใช้ชีวิตเหมือนกันไม่มีอะไรลราแตกต่างบางก็เบื่เหมือนกันอากาศหนาวก็หนาวเหมือนกันถึงเวลาก็อยู่ถึงเวลาก็ต้องขับถ่ายเท่าไหร่นอนนั่งเดินยืนนอนวีบดเราก็ใช้เป็นความรู้สึกตัวรู้เนื้อ ร, รู้ตัวก็จึงเป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพียงแค่ว่าต่างควรต่างมาเราก็รู้ว่าวัดป่าสุโธมีการปฏิบัติธรรม นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งคนก็รู้แล้วว่าที่นี่มีกิจกรรมเก็บอรมเข้ม น, น, นะรู้กันกันสิ่ก็ทราบรู้กันไปแล้วตอนนี้ก็เจดสิบกว่าคนแล้วที่เห็นว่ามีประโยชน์ได้ใช้รูปแบบใช้การเดินชงคมนั่งสร้างจังหวะให้มันผ่านอารมณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาระหว่างปฏิบัติจิงทมันก็เกิดอยู่แล้วละแต่ว่า มันไม่ทันได้ดูได้รู้ได้เห็นพอเรามาฝึกในรูปแบบกลับมาหาตัวเองเห็นจะเห็นชัดเจนเลยคนเก่าคนใหม่เ ร, เริ่มต้นเหมือนกันเลยนั่งแป๊บก็ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวก็มีตัวม่วงโผล่มานั่งสักพักเดี๋ยวความเคยชินเก่าๆก็โผล่มาความเป็นทุกข์ความเป็นสุขเก่าๆนิสัยความคุ้นชินต่างๆจะแสดงว่ายกมือไม่ได้รเราเปเนียเดินปลานเลยล่ะ เดินจงกรมอยู่ในฐานไม่ได้ยกมือไม่ได้ะแล้วก็เคยฝึกเหมือนกันเป็นอย่างนี้กันไป ม, มันมีความแตกต่างกันเลยละเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ลักษณะของธรรมชาติภายในภายนอกมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นธรรมชาติภายในแล้วก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นประตูของพันิพ์านประตูใจประตูเนี่ยก็คือประตูที่น ทุกครั้งเรากลับมาสัมผัสความรู้เนื้อรู้ตัวนะั่นมันเหมือนกั้เข้าไปในห้องแคบๆไม่รู้เลยจะออกทางไหนดีคิดวกคิดวนภายเรือในอ่างคิดอดีตคิดอนาคตปัญหา เ, าเกา่เกาๆที่แก้ไม่ตก่ยบกวนมากว่าผลักมาที่ความรู้สึกตัวปุ๊บเดี๋ยวนะมาแตะที่ความรู้สึกตัวขณะจิตนั้นมนะันเป็นขณะจิตที่มันไม่ทุกข์ ใครได้สัมผัสตรงนี้เห็นชัดเจเลยเราบอมันคุ้มค่าอยู่ตรงนี้นะอยไอความรู้สึกขณะที่มันเจตนารู้สึกเจตนากระทาขึ้นมาเน่ อ, อน้ําย่อกับ้ําบ่งคิดดีพูดดีทำดีคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วนี้เจตนาไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วทุกครั้งที่มีสัมผัสเวขาทําเกิดขึ้นมารู้เฉยๆทุกครั้งที่สัมผัสกระทบรู้สึกตาจะดูหูจะฟัง จมูกจะได้กลิ่นลิ้นเล็บรดแม้กระลังจิตคิดก็ตามมันก็เป็นความรู้สึกตัวที่เราฝึกมาจากการสัมผัสรู ก, กายอยาบิน ญ, ญานไปนั่นทุกทางกลางกระทบสัมผัสทุกกล้งที่มันเคลื่อนมันไหวกดีนิ้วก็ได้กำปั้นทุบก็ได้ทุบข่าตัวเองความก็ดะงายก็ได้ยาจานกรรมผล่องบนนุ่มวันนี้เราก็ได้เห็นกัน ตอนนี้เป็นวันกระถินมางานกะถินเ่าซองถวายปรุงนี้จะมีกระถินที่ผูหลงก็ขอร่วมบุญกระถิ้นได้ขออุทิศส่วนกุวส่วนให้แม่แม่เองก็ตอนงานศพศพเน่นอนยิ้มปากแดงริมวิปากแดงเป็นนักกรรมาฐาน แม่เป็นนักกรรมฐานพ่อเป็นนักกรรมฐานตัวใจกำพลก็ฝึกกรรมฐานเคลื่อนไหวอย่นั้นเห็นรูปเห็นนามภายในหนึ่งเดือนกล้าพูดเลยเลาอีกจากความพิการทางกายเราเห็นเออมาร่วมงานกัฐินมันเคยได้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตใหม่อยู่ตลอดนมิตรจริงใหม่ๆผ่านกันมาเป็นปัจจุบันขนานะ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องศาสนาธรรมศาสนาพิธีศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนบุคคลเกิดจากศาสนธรรมรู้จักตัวเองทำจนกระทั่งตัวเองไม่ทุกข์มันก็ลืมกันไปลงหรอกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งรูปแบบการปฏิบัติมันก็ต้องบอกกันท่านก็มาไปดูนู่นนะไตตานีพิดกเลยนะจะบอก ใหญ่ที่สุดในโลกคนมิการยังต้องไปดูตส่านั่งรถไปฟ้าแล้วไปที่พระไตวิดกไปดูแล้วสถิประฐานสี่หมดกายเห็นกายเคลื่อนไหวโอ้มันมีปัะอยู่ด้วยสัญญาปับพระมันมีบทใจสีนั่งเดินยินนอนอยู่ด้วย โอมันมีมันไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งนี้มันมีหลวงพ่อเทียนบอกมันไม่มีเราก็ทําขึ้นมาเองจริงๆในวัตถวิถีมันก็มีเแต่ไม่ได้อยู่ที่หนังสือี้ยมันมาอยู่ที่การปฏิบัติของใครของเราอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติกันบางทีเดินทั้งวันเี้ยราก็สนทนากันกันประโยคในีบางทีเดินกันทั้งวันยกมือทั้งวันแต่ ทำเหมือนจะเอาอะไรเง่นแพงบางทีก็ทำเล่นๆกันไปทำไปคุยไปหัวเราะกันไปหงงเาหาหานอนกันไปมันก็ได้แค่นั้นแต่บางคนก็ตั้งใจเดินจงกลมวางใจวางใจดีปฏิบัติเป็นยงทำก็เป็นการเก็เกบเกี่ยวเป็นสมการณ์ของการเดินทางทางจิตทางใจของเราโล่งโปรง่ง มีความสะอ า, าสว่างสงบเกิดขึ้นมาให้เราได้สัมผัสมันจะนิ่งเงียบเงียบไม่ได้วุ่นวียอะไรทําได้ทั้งวันอยู่กับตัวเองเป็นก็จะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็จึงเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องเรียกว่าใช้โอกาสนี้เลยขณะนี้เลยแล้วถึงแม้จะเป็นเทศการออกพรรษาก็ตามแล้วใช้ประโยชน์จากเพื่อนที่เคยอยู่กนแอร์อัดหลายรูป หาอยู่หากินแย่งกันนะก็กลายเป็นสบายๆแล้วกุฏิสาลาโล่งๆว่างๆนะพระวัดนี้เราก็จะรับมันแค่ห้าสิบรูปประชมสงกันามาแล้วนะเหลือนแค่ห้าสิบรูปเว้นกันมาเข้ามาหนึ่งรูปก็ใช้หน้าที่ได้รูปละสิบไล่วันเรามีอยู่ห้าร้อยกว่าไล่ก็จะเหลี่ละหนึ่งรูปต่อสิบไล่ก็ใช้กาไป เวลาของการฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเป็นเรื่องของการปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปล่วยไปโดยปราประโยชน์อันนี้เราก็จะไม่ได้อยู่ในแบบนั้นเราก็ใช้แล้วหนาของสปายาวสิ่งแวดล้อมเป็นความรู้เ ร, รู้ตัวต่อไปไม่มีปัญหาจะอยู่คนเดียวจะอยู่หลายคนก็เหมือนเดิมรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเราก็ทํากัน เอากันเรียกว่าเป็นล่ำเป็นสันเลยไม่เกี่ยวจะมากี่วันหนึ่งวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันเก็บลมเข้มไม่เก็บรมเข้มจะมาปฏิบัติในลานหินโคง้งไม่ลานหินโคง้งไม่ได้สนใจแต่เพียงว่ารู้สึกตัวให้เป็นนะั่นคือกําไรของการมาอยู่สุขโตมาใช้ชีวิตนะ่ะในวัดป่าสุขโตแล้วเสรแล้วก็ไปงอกงามที่ไหนก็ได้อาจจะที่บ้านก็ได้ กลับไปที่บ้านก็นมีความรู้สึกตัวต่อไปเจออารมณ์ก็เห็นชัดเจนเห็นด้วยตาสติตาปัญญามันเป็นความแตกต่างที่ทให้เราจะต้องเหมือนกับว่าเอ๊ะใจดเดียวเมื่อก่อนมันเคยทุกข์อย่างนี้ตอนนี้มันไม่ทุกข์เจอคนที่เราเคยไม่ชอบแต่ปรากฏว่ามันมันไม่ได้ว่าไม่ชอบมันกลายเป็นเรื่องของความเป็นปกติที่มันเกิดขึ้นมา ชีวิตมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนไปสุขง่ายทุกยากคำว่าสุขในที่นี้ไม่ใช่สุขแบบสุขแบบอามิสฉุขมันไม่ใช่สุขเผาสุกจีการปฏิบัติธรรมมันมีนิลามิสฉุกสุขที่มัต้องอิงอามิสมันเป็นสุขจากภายในที่จิตใจของเรามันโล่งโปร่งเบาจิตใจของเราที่มันปกติเนี่ยมันเป็นปกติคณะต่อคณะความรู้สึกตัวนี่แหละ ที่มันทำให้เกิดความเป็นปกติขึ้นมาเราก็ปกติกันแล้วปกติกันอีกไม่เบื่อตรงนี้มันเป็นที่ที่ทำให้จิตของเราเกิดมาตรฐานขึ้นมาเป็นบ้านของจิตเป็นมาตรฐานของจิตก็คือปกติรู้เฉยๆรู้ซื่อๆท้ายส่อกลายเป็นปกติเคยรู้แล้วสุขรู้แล้วทุกข์รู้แล้วพอใจรู้แล้วไม่พอใจรู้แล้วเกิดการยินดียินร้าย ชอบไม่ชอบกลายเป็นเฉยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆแตนะเราก็เลยเรียกว่าประโยชน์ตนได้ทำประโยชน์ตนไม่ใช่เรียกวเห็นแก่ตัวเป็นประโยชน์ที่เรารู้จักาศาสน า, สาศาสนาคือตัวเราตัวเราปกติก็เป็นพระขึ้นมาฉลาดเฉลียวขึ้นมาวิสติศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก็เรียกว่า กำลังใจมันก็เป็นชีวิตประจันจรรของใครของเราอย่างนี้